เรื่องทำงานสามเรื่องสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งกำลังทำงานอยู่พิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดได้กล่าวกับเธอว่าน้องหญิงหยุดเถิดอาตมาจากช่วยทำแต่นางไม่รู้ความหมายท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าพิษุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาทิเศ แต่ต้องอาบัตรทุกกฎวงเล็บเรื่องที่สิบสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งกำลังทำงานอยู่พิสูุรูปหนึ่งมีความกำหนัดได้กล่าวกับเธอว่าน้องหญิงนั่งเถิดอาตมาจากช่วยทาแต่นางไม่รู้ความหมายท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่า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 เธอไม่ต้องอาบัตรสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัติทุกกฎวงเล็บเรื่องที่สิบสองทุดทุนละวาจาสิกขาบทที่สามจบ